อันนี้สำนักนายกก็ขอให้ใ ห, ให้ทำห <10 S 1> นังสือสิบเล่มจะไปแจก <5 S 1> ะระดับผู้นําทั่วประเทศผู้ว่าทั่วประเทศรัฐมนตรีทั่วประเทศอันนี้ก็เนี่ยก็จะออกแบบมาสองอันก็คือตรงนี้เป็นตราสำนักนายกนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพุทธวจนนะอันนี้เป็นงานแจกในงานกรถิ่นหลวงของเขา อันนี้กำลังแทรกซึมเบื้องสูงก็ก็เลยให้ยมป๋อมยมป๋อมนี่เป็นช่างภาพมือหนึ่งของประเทศนะหนึ่งในเก้าช่างภาพที่ได้ไปถ่ายภาพตอนกษัตริย์มานะแล้วก็เป็นนักออกแบบด้วยก็เลยออกแบบตัวนี้มาให้นะ อันนี้ก็ก็เป็นแบบที่โยมก็ออกมาก็ <c oughs> ได้สองแบบ น, นี่ถ้าถ้าดูตรงนี้จะอาจจ ะ, ะให้ความรู้สึกเป็นว่าอกล่องนี้เป็นเป็นหนังสือที่เป็นของสำนักนายก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเลยโอมก็คิดว่าน่าจะเป็นพุทธวัจนะอยู่ข้างบนแล้วตาสำนักนายกอยู่ข้างล่างนะข้างล่างด้านหน้าการจะลงตัว ภาษาทหารแทรกซิมเบื้องสูงให้ความรู้คือคือพวกพวกลบพิเศษเนี่ยเขาจะไปโดดล่มลงในแนวลบค่าสึกเนี่ยอาจจะเรียกแทรกซิมเบื้องสูงก็จะมีโดดสูงโดดสูงปลดสูงกระโดดสูงปลดต่ำจะเรียกฮาฮาโฮกับฮาโลฮาโฮกับ โดดสูงแล้วปลดสูงก็คือป้องกันเรดาร์ข้าศึกแล้วก็โดดล่มก็ต้องมีท่อออกซิเจนอะไรเดี๋ยวนะแล้วก็ปลดมาเลยแล้วก็ให้ล่มมันลอยพาลอยเข้าไปในแดนข้าศึกอย่างเนี้ยแต่ถ้าโดดสูงปลดต่ําก็คือพยายามให้ถึงที่หมายให้แม่นที่สุดน่ะแล้วก็ปุ๊บใกล้ๆพื้นแล้วก็ค่อยกางลมอย่างนี้ <laughs> ได้กองเลยจ้ะอ่าป้าปกติเหรอยังดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีข้อสูตรจะบอกให้ก่อนอ่าสูตรแล้วกระเป๋าของ b ีบีนกระเป๋าโทรศัพท์ จะมีมีพระท่านไปเจอพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องความโกรธนะว่าโกรธไม่ดีนะ <c oughs> ความโกรธที่ตัดกับเรื่องพระนางมาริกาก็ยังทำให้เป็นคนที่ไม่สวยอืม้า มั ก, กโกรธฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองทำความโกรธความขัดเคืองความคับแค้นใจอะไรอย่างนี้ให้ปรากฏเนี่ยถ้าไปเกิดได้อัตภาพใดๆเนี่ยจะเป็นผู้มีรูปไม่งามผิวพรรณไม่งามน ะ, ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ทำเจ็ดประการจะมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธนะอ่า ขอให้บุคคลผู้มีผิวพรรณซามเถิดหนาะนะเป็นข้าศึกต่อกันนะย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันมีผิวพรรณงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้กโกรธถูกความโกรธครอบงามย่ยําดีแล้วแม้จะอาบน้ําไล้ทาตัดผมกลหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดแล้วก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่ง อีกประการหนึ่งคนผู้เป็นฆ่าสึกกันย่อมปรารถนาต่อคนที่เป็นฆ่าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้นอนเป็นทุกข์เถิดหนอหนอมันมันแคร์มันแคร์ น, ขนนะขอให้มันนอนเป็นทุก <c oughs> ข์เพราะนั้นเพระเหตุไหลไยเพราะคนผู้เป็นฆ่าสึกต่อกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าสึกกันอยู่สบายดูก่อนพิกษุทั้งหลาย คนผู้โกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำย่ำดีแล้วแม้จะนอนบนบรนลังอันลาดด้วยผ้าขนสัตว์ลาดด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดมีผ้า <c oughs> ดาดเพดานมีหมอนหนุนศีรษะหนุนเท้าแดงทั้งสองข้างก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สองความผู้เป็น ข้าสึกต่อกันเนี่ยต้องการให้ผู้เป็นข้าสึกต่อกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธนะอีกประการหนึ่งคนที่เป็นข้าสึกต่อกันย่อมปรารถนาคนผู้เป็นข้าสึกต่อกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลนั้นอย่ามีความเจริญเลยอขอให้มันล่มจมล่มสลายละ่ละเราจะสาบแช่งมันนะ <c oughs> เพราะคนผู้เป็นฆ่าสึกกันย่ำไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆ่าสึกกันมีความเจริญดูก่อนพิกษุทั้งหลายผู้โกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงําย่ยํายีแล้วแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สําคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์อ๋อมันจะเข้าใจผิดไงเวลาถือเอาสิ่งไม่เป็นประโยชน์เขาจะคิดว่านี่เป็นประโยชน์ <c oughs> แม้ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สําคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แน่ หยิบเอาของที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปคิดว่าอันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะความเห็นมันจะกลับเนาะนี่เป็นธรรมข้อที่สามนะอีกประการหนึ่งผู้เป็นข้าศึกต่อการย่อมหมายมั่นบุคคลผู้เป็นข้าศึกว่าอย่าให้มีโคะาเลยนะอืม เมื่อเขาถูกความโกรดครอบงำย่มดีแล้วแม้มีความแม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ด้วยความขยันมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังแขนอาจเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมพระราชาทั้งหลายย่อมริบโภคะของคนขี้โกรธเข้าพระคลังหลวงโ อ, โ, อโอ้นะอันนี้เป็นภัยอันเกิดจากผู้ปกครองนะ <c oughs> อนี่เป็นธรรมข้อที่สี่ อีกประการหนึ่งผู้เป็นข้าสึกต่อกันย่อมหมายมั่นให้ผู้เป็นข้าสึกบอกว่าอย่ามียศเลยนะอืผู้ถูกความโกรธครอบงําย่ําดีแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทก็เสื่อมจากยศนั้นได้นี่เป็นธรรมข้อที่ห้าเขาจะเสื่อมจากยศคนที่โกรธกันย่อมหมายมั่นคนที่ตัวเองโกรธว่าอย่าให้มีมิตรเลยนะอืมให้คนเกลียดเขาเยอะๆเนี่ยอืม คนที่ถูกความโกรธครอบงำย่ำดีแล้วแม้เขาจะมีมิตรอมาตญาติสาโลหิตมิตรอมาตญาติสาโลหิตเหล่านั้นก็เว้นเขาเสียห่างไกลนี่เป็นธรรมข้อที่หกญาติพี่น้องก็จะเว้นห่างจากเขาบุคคลผู้โกรธย่อมหมายมั่นกับอีกคนว่าขอให้บุคคลนี้เมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรลกเอาแล้วตัวเองจะได้อะไรนาะ น, นี่ แช่งเขาดีนักพระเจ้าบอกว่าคนผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมดีแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกกลายเป็นต้องไปเข้าถึงเองเพราะตัวเองจะประพฤติกายวาจาใจาที่เป็นทุจริต <c oughs> คนโกรธมีผิวพันธ์ามย่อมนอนเป็นทุกข์ ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปาณ า, าติบาดด้วยกายและวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้โมเมาเพราะความกโกรธย่อมถึงความไม่มียศญาติมิตรและสหายย่อมเบ้นคนโกรธห่างห่างไกลเสียคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญทําจิตให้กําเริบภัยที่เกิดมาแต่ภายในนั้น คนผู้โกรธย่อมไม่รู้สึกคนผู้โกรธย่อมไม่รู้อัตถะไม่เห็นธรรมความโกรธย่อมครอบงํำนาราชนในขณะใดความมืด่ะย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทําได้ยากเหมือนทําได้ง่ายอืมใช่ <c oughs> <c oughs> ก็ดูอย่างบิลาดินเนาะอืมระเบิดทีเดียวตึกตึ ก, ตกพังหมดเลยเนี่ยอืม ภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ทํากรรมไม่ดีเนี่ยย่อมเดือดร้อนในภายหลังคนผู้โกรธย่อมแสดงความเกอ้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนอืมในการใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในการนั้นคนนั้นไม่มีหิริไม่มีโอตปะและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงํา ย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยเลยกรรมใดยังห่างไกลจากธรรมอันให้เกิดความเดือดร้อนเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับนคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามารดาของตนก็ได้ฆ่าพระขีนาศบก็ได้ฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้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 ยอมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวนี้เป็นบวงของมัจจุราชมีถ้าเป็นที่อยู่อาศัยบุคคลผู้มักโกรธมีการฝึกตนคือมีปัญญา ความเพียรและสัมมาทิฏฐิพึงตัดความโกรธนั้นขาดได้ต้องมีปัญญามีความเพียรมีสัมมาทิฏฐิจะตัดความโกรธนั้นได้บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่และอย่างเสียให้ขาดพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เก้ อ, อยากอย่าได้มีแกเราทั้งหลาย เธอทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความขับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพานอ๋อเป็นคำที่ไพเราะมาก <c oughs> อันนี้จะให้ดูเรื่องของการให้ทานเนี่ย การให้ทานไม่ได้ไม่ได้ให้ผลแค่ได้โภคคามากอย่างเดียวให้ผลไปในด้านอื่นด้วยอีกหลายทาง น, นะ <c oughs> ในเรื่องของทานของสัตบุตรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นชไหนคืออสัตตบุตร สัตตบุตบรคือคนดีอสัตตบุตบรคือคนไม่ดีนะอสัตตบุตบรย่อมให้ทานโดยไม่เคารพหนึ่งให้ทานโดยไม่อ่อนน้อมหนึ่งไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้หนึ่งคือเขาไม่เห็นผลว่าเขาไม่เชื่อว่าให้แล้วจะมีผลนะไม่เชื่อเรื่องกรรมตรงนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสัตบุริษ สถานหาประการนี้แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัพพุลิสถาน5ประการ5ประการเป็นชไหนสัตตบุรุษย่อมให้ทานโดยเคารพหนึ่งให้ทานโดยอ่อนน้อมหนึ่งให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของไม่เป็นเดนหนึ่งเห็นผลที่จะมาถึงแล้วให้หนึ่ง <c oughs> ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัพพุลิสถานหาประการนี้แลอีกนยะหนึ่งของทานของสัตบุรุษ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัพพุสสถาน5ประการนี้5ประการเป็นชนไหนคือสัตบุตรย่อมให้ทานด้วยศรัทธาหนึ่งย่อมให้ทานด้วยความเคารพหนึ่งย่อมให้ทานโดยการอันควรหนึ่งเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานหนึ่งย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นหนึ่งจากการที่ให้ทานโดยลักษณะอย่างนี้จะมีผลอย่างไรนะพุทธเจ้าลงรายละเอียดต่อไปนะ ว่าการให้ทานโดยไม่กระทบตนกระทบผู้อื่นให้ทานโดยความเคารพเนี่ยจะได้ผลอ น, นิสงส์อย่างอื่นต่อไปอย่างไรบ้างดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตบุตรครัค้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นลผลคือบังเกิดขึ้น <c oughs> แสดงว่า ผลของทานเนี่ยนอกจากทําให้มีโภคามากแล้วยังทําให้มีเป็นผู้มีผิผวพรรณงามรูปร่างสวยงามด้วยนะลั้นให้ทานโดยความเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคําสั่งตั้งใจไข้รู้ในที่ที่ทานนั้นเป็ดผลนะ ก็แสดงว่าจะมีลูกภรรยานะทาทกรรมกรคนใช้เนี่ยเชื่อฟังตนเองนะเ อ, อยู่ในโอวาสอยู่ในคำสั่งนระั <c oughs> ้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพค้ามากย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในทานในที่ที่ทานนั้นให้ผลนะก็จะมีความาต้องการ เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยะนะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นครั้งเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมกุลห้าสูงยิ่งขึ้นครั้งให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้มีภพกัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลก็คือทรัพย์สินของเราเนี่ยที่เราหามาได้โดยธรรมเนี่ยจะไม่เกิดภัยอันตรายจากน้ําจากไฟนะจากโจรจากใครต่อใครเนี่ยอันตรายต่างๆจะไม่เกิดแก่ทรัพย์ของเรา ดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัพปุิสถานหประการนี้แหลนะน <c oughs> เ, เมื่อวานก็เลยมีคนถามว่าแล้วทานที่ก็ให้แบบเศร้าหมองหรือยังไม่ปราณีนี่จะเป็นอย่างไรนะผู้เจ้าบอกว่าอยู่ที่ศรัทธานะทานอาจจะยังไม่ค่อยดีอาจจะปราณีหรือไม่ปราณีก็ตามบอกข้าบดี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 ย่อมไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณอย่างดีนะก็จะเคยมีที่ภิกษุรูปนึงเนี่ยนะไปกินชอบกินอุจจาะนะอ่าก็อวดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะเวลาพระเขาไปบินตบาดกันแล้วก็แอ บ, บไปกินอุจจะนะอ่าแล้วก็แสดงตนเองว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารอะไรเลยนะอ่านี้ก็พราะเคยไป ไปใส่ใส่บาทด้วยอุจละด้วยของโสโครกอะไรอย่างนี้นะก็เลยรับกรรมตรงนี้นี่ก็อาจจะลักษณะคล้ายๆกันคือจิตจะน้อมไปเพื่อการอย่างนั้นนะไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคของที่ดีนะที่เหมาะสม <c oughs> แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรยาข้าทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสีย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 มากมายเหมือนกันนะรับความรู้ไปก่อนเช้านี้รับฐ <laughs> านที่พระว่าเนี่ยถ้าท่านว่าเนี่ย <c oughs> ต้องบอกต้องให้กับพระสงฆ์ไม่ไม่จำเป็น <c oughs> แต่นี้อันนี้สงฆ์จะต่างกันไงก็คือฐ <c oughs> านเนี่ย ผ <|so|>> uh ู้เจ้าบอกให้กับใครก็ได้นะก็จะมีพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉนันเลยจะทำกรรมนุ์ด้วยกันแล้วพระองค์ก็จำแนกเรื่องเรื่องของทานออก พระองค์บอกพระองค์ให so ้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยก็สู้ให้กับพระสกัารามีองค์เดียวไม่ได้ไล่ไปอย่างละร้อยจนถึงพระหลานองค์เดียวนะแล้วก็บอกว่าให้กับพระอหลานร้อยเนี่ยก็สู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิวิหารเป็นร้อยก็สู้รักษาสินครั้งเดียวไม่ได้โยมนั่งรักษาสินครั้งเดียวนี้ได้เทียบเลย อรักษาสิน้อยก็สู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้แล้วก็มาจบคือจบที่ทําสมาธนะินั้นถ้าเราต้องการอ น, นิสงส์ที่มากเนี่ยก็คือขั่งสมาธินี่ต้องทำคาแล้วนั่งสมาธิอย่างเดียวดีกว่าหลุดพ้นได้เร็วนะ <c oughs> จริงสินก็เป็นเหตุให้เกิดพกภพกัพย์ได้ สมาธิก็เป็นเหได้เกิดโพกทรัพย์ได้เหมือนกันเพราะนั้นอย่างคนที่ไม่มีโพกทรัพย์มีโพกทรัพย์น้อยแล้วจะทําทานอย่างไรผู้เจ้าก็ให้รักษาศินเพราะสินนี่ก็เป็นมหาทานชั้นเลิศผู้เจ้าบอกสินห้าเนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลิศการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณนะเป็นอภัยทานอเวลทานอภัยาประชาทานนะการไม่ขโมยก็เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณ นะเป็นมหาโจรทั้งหลายเนี่ยแค่ถ้าให้โจรมารักษาสินนะโยนนะ <c oughs> แบงค์ไม่ต้องถูกปล้นนะคนไม่ต้องถูกตีชิงวิ่งราวอย่างเนี้ย <c oughs> มันเป็นเป็นทานในตัวเลย <c oughs> นี่คือแง่มุมที่เราเรามองไม่ค่อยออกนะ <c oughs> ได้ทําทานทําทานเยอะก็ได้รักษาศินมากก็ได้นั่งสมาธิมากก็ได้ได้หมดออยากก็ <c oughs> เลยทอ <c oughs> ผมเข <c oughs> ้าใจว่าทำ <c oughs> เพื่อรักความอยาก อ, อตรงที่อยากแล้วทําเนี่ยมันเป็นความเห็นของผู้ที่มีสมาธิถิเบื้องตน้นเรียกว่าเป็นบุญอันเนื่องด้วยอุปัิทําบุญเพราะความอยากก็เป็นเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไป แต่มนุษย์ที่เป็นอริยบุคคลเริ่มมีสมาธิถี่เบื้องปลายเนี่ยจะทําบุญเพื่อทํำเฉยๆก็ทําแล้วก็ปล่อยวางไปนะส่วนการทําอันเนื่องด้วยอุบาิเนี่ย <c oughs> ความความหวังและความต้องการในหลายๆแบบเนี่ยก็ให้ผลต่างกันด้วยนะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันแต่จะอยู่ชั้นต่างกันอย่างนี hmm. ้อนั้นถ้าถ้าทําด้วยความปล่อยวางเนี่ยก็จะจะดีที่สุดนะอ่า แต่ปรารถนาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเป็นสมาทิฏี่เบื้องต้นฟังหมนจะเข้าใจแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจแล้ว <S <S บางทีเนีย่ยป้าเต็ดกันเนี่ยเช้าก็จะมีทำกับค่าวมารอใส่ปากผมก็ตะลีตะเรือขับรถไปทำงานมผมก็สึกที่ทำธุอะไรกับเขาเลยนะเลยรู้สึกติงๆเหมือนกันพบคุณจะ มันรอสายาต่อนแล้วค่อยไปทำาอ๋อถ้าเราไม่มีเวลาเราก็พยายามนั่งสมาธิหรือว่าใชา้สติอธิษฐานการงานเช่นเวลาเราเราขับรถอยู่เนี่ยเราก็ตั้งใจขับรถ <c oughs> เวลาจิตเคลื่อนปั๊บรีบรักความเพลินกลับมาอยู่ที่การขับรถอย่างเงี้ยนะก็พยายามเอาการปฏิบัติเนี่ยแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอด เมื่อ้าเลยพระอาจารย์ผมนึกถึงแต่พระอาจารย์เนี่ยขับฝ่าไฟแดงมาเลยก็คิดผมแค่น้นึกแจะคุยกับพระอาจารย์ดีตอนนี้ก็บเลยก็ไฟแดงอยู่เลยอย่าทําบ่อยเดี๋ยวมาไม่ถึงวัดังไม่คจะเข้าใจนสมาธิือ่าเนี่ยพระอาานั่งหลับตาเฉยเฉย อืมใช่ใช่หรือว่าเดินจงกรมก็ได้คือสมาธิเป็นเรื่องของจิต <c oughs> เป็นเรื่องการทำในใจนะให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวจะอยู่อิริยบทใดก็ได้นะยืนก็ได้เดินนอนก็ได้นะพะพุทธเจ้าบอกภิกษุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่ถ้าทิ้งความคิดอกุศลการไพบาตเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นเนี่ยปาราลความเพียรตลอด อยากมาลถความเพียรนั่งหลับทั้งวันเลยหน้าก็บอกว่ากลับไปบ้านเลยดีระางบอกนี่นั่งหลับทั้งวันบอกให้ผมกลังปลความเพียรุู้จะขัดขัยังอาจารย์ไม่เหรเราไปหลับให้เขาเห็นไหมผมนัาถ้าโยมทางานโยมต้องเดินจงกลมเขาจะได้มองว่ายมเดินตรวจงาน ใช่ใช่ยำเดินไปเดินเดินไปทั่วเลยนะเดินทีไรนะอาจารย์นะเดือดม้อนกันหมดเลยจริงจริงเขาบอกว่ายำมันต้องเดินก็ได้อยู่ในห้องก็ได้ผมก็นั่งสมาธิอะไรบางทีผมก็สับสนครอาจารย์เดือดนี้วันวันจันอาจารย์เวลาตรงไหมครับวันจันหรือเดือนนี้นะรอ งอ <c oughs> เดือนนี้ต้องเป็นพฤษภามิถุนานนะอาจจะมีวันเที่ยงถึงบายสองเหรออ๋อ น, น่าจะมีวันที่ ยี่สิบอาจจะได้ใช่ได้ไหมของโยมยี่สิบว่างไหมก็จะได้เพราะวจังเนีน่าายผมไปทำงานหมดเลยเหรออือมีอดแลครับเหรอทำไมละ่ะเพราะพ อ, อ, อกระทบมันลูกโซ่ไงนะอือของมันก็หายหายหายายค่อยค่อย มันอยู่ได้ก่อนหน้า น, นี้มันอยู่เพราะว่ามีสต๊อกเก่าค้างเงิ อ, อยู่พอโรงงานทางของก็ส่งไม่ได้อล่เป็นกโโุแบบนี้อ๋อต้องปิดโรงงานเลยเหรอครับก็พักก่อนก็ดีขอขอครับผมก็ว่าดีครับได้ฝึกสมาธิปันธรร ม, ม, มแบบอืมนะใช่ใช่ต้องรีบจับฉวยนะที่พู้เจ้าบอกต้องเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ผมจะจับพวกวิศวกรเนี่ยมาสอนนากรรมครับเนาะอีดีดีนะจะได้กระจ่างกันไปเลยเนาะแสดงว่าเหตุปัจจัยเกิดแล้วที่จะได้ฝึกธรรมะเนาะโอ้ผมเดือดร้อนเลยครับผมเดือดร้อนเลยผมไม่มีปังกายโบนัสิ้นเดือนนี้นะเป็นไรอดก็อดด้วยกันนะ ยมอุ้จะถามอะไรเมื่อกี้เรื่องของการให้อาจารย์อาจารย์ก็ถือเรื่องการให้มถือว่าอย่างประโยชน์ของสิ่งที่ได้รับ่ะคะอย่างกรณีของของมีคนจะให้ของเราด้าเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเราไม่ใช้แน่ๆแเราก็ไม่เสียไปองเพราะทานของเขาอ่ะเาไปให้ผู้อ่อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่เรามีจิตที่อย่างนั้นเราไม่ได้มีจิตที่รุนปลกนการว่าอมทานอันยากอันเต้าหม้ออะไรอย่า ไถึงข <c oughs> ้อสุดเลว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าอมิต <c oughs> มันจะมันจะโยงกันได้หรือเปล่าคะอาจารย์ว่าการที่เราปฏิเสธทานที่เขาให้โดยที่เราเห็นว่าเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นนะคะโยมปฏิเสธแบบไหนอ่ะมันก็อยู่ที่โยงปฏิเสธเง่มุมในการปฏิเสธมีต้องเยอะใช่ไหมอืมก็มันแล้วแต่ว่ามันต้องลงละเลอียดว่าเราปฏิเสธแบบไหน เราปฏิเสธทําให้ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเป็นการห้ามการให้ทานหรือเปล่าอย่างเนี้ยอืมใช่ไหมก็ต้องแยบคายลงไปในตรงนั้นอีกอ ก, ก็คือกรณีของผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานที่รวมถึงตัวตัวผู้รับก็คือออืเป็นตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อเหมือนตอนแรกยอมเข้าใจว่าเพื่อนสองคนบอกว่าอย่าไปให้ในในคนนึงอย่างเนี้ยกลายเป็นว่าถ้าเราห้ามคนอื่นไม่ให้เราก็เข้าขายพระสูตรนี้ด้วยอืมก็ มีส่วนนิดหนึ่งอ่ะก็คือต้องไปดูในส่วนของสมมาว aja ว่าพูดอย่างไรให้ให้ไม่ไม่เกิดความมีอะไรซึ่งกันและกันในใจกังใช่ไหมคะก็คือพระเจ้าก็บอกว่าจะทำอันตรายของลาบของปฏิคาหกนะก็คือผู้รับทานแ่ะก็จะไม่ได้ไม่ได้ทานใช่ไหมกำลังจะได้อยู่ละ แต่ก็อาจจะไม่ได้แตเพราะเราไปห้ามแล้วก็ผู้เจ้าบอกตัวเองก็ขุดลากตัวเองด้วย <c oughs> เพราะการให้ทานย่อมมีอ น, นิสงส์นะใช่ไห ม, อมขอบพระคุณค่ ะ, ะวันที่สิบเหรอไปที่ไหนนะเอ่อ วันที่สิบเหรอเหล่น่าลันทาคือที่ไหนนะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าอ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าอินเดียโอ้นานันทาดอ อ, อ, อ, อ๋อมิจิลิโลกสงบธรรมตอนนี้แชร์ใจกันอยู่ในเฟซบุ๊กเหมอคงใช่คงใช่รู้สึกอันนี้มีอยู่ เ, เขาเวลาอะไรนะ5้าโมงห้าโมงใช่ไหมอ๋มมปปอใช่ใช่ใช่ใช่อันเดียวกันอาคารว่องวันนิดใช่ไหม เขาพูดกันเมืองเราพูดเล่นธรรมะถามอยู่เียวผมจะเลือกเนี่ยจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าต้องเลือกแบบไหนอ่อ้าวิงจกมาใส่ผมเ่กินเลยจิ้งจิงจพักเลย ว่าจะเรียกยังไงอเหรอผู้เจ้าบอกว่าปุ้งบอกว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายเนะเราก็ต้องดูว่าอเขาแสดงอะไรอย่างไรแล้วก็เราต้องรู้ธรรมะอันเป็นเครื่องหมายของ ของคนผ่านและบัณฑิตนะอพระองค์บอกอีกว่าสัตตบุรุษเนี่ยมองสัตตบุรุษด้วยกันออกนะแล้วก็อสัตตบุรุษก็มองอสัตบุรุษด้วยกันออกเหมือนกันนะ แต่ก็คงจะรู้กันในทีแล้วมันขอรอบเชอบแล้วก็ชอบอันนี้ไม่ชอบก็ไม่ชอบ่าจริงๆแล้วขออย่างว่าคนดีหรือไม่ดีแตกต่างกันผมว่าีแก่ายออกั่งก็ ที่เท่าที่แยกได้โยมอุจจาอกปัลโตโคโสโยนิโสมนสิการนะเมื่อฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นแล้วให้ทำในใจให้แยบขายด้วยนะก็แค่ควรพิณาไม่งั้นมิจฉาทิฏฐิจะเกิดนะก็คงพยายามทำให้ดีที่สุดนะเท่าที่เหตุปัจจัยของเราจะมีในตรงนั้นนะนะอืม นั่งสมาธิมากๆจะได้กาไปถูกเบอร์หน่อยจิตจะได้น้อมไปเบอร์ที่ดีไงสมัหน้าผมลงอาจารย์ <c oughs> ผมจะเอาโลโก้พระอาจารย์ไปขึ้นก่อนได้คะแนนทั้งสารานี้ได้เลยไมผมบริหารประเทศมก็ต้องทำล า, ายทุกคนนั่งสมาธรริ <c oughs> <c oughs> ตามพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วแล้วจะหายปวดใช่ใช่อ่าการทำสมาธินี่มันทำให้สิทธิ์เราใน้ามี่ใช่ไหมจ๊ะคือแต่ก่อนนีเป็นเห็นความว่าปากไวมากในการที่จะเถียงแม่หรือว่าทะเลาะกับแม่เลยแต่พอแต่พอได้นั่งสมาธิได้ทำอนาปนาสติเจริญสติเรื่อยเนี่ย มันเหมือนมีตัวมาบอกว่าเ้ยหยุดโดยที่เรายังไม่ต้องหลุดปากออกไปอะค่ะแบบให้มันคือมันเห็นจิตตัวเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเห็นนะคะใช่ใ ช, ใช่ก็นั่นแหละก็คือมันเมื่อจิตมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นไวขึ้น่ยอย่างนี้เ้าเรียกว่ามีสติมีสติใช่ใ ช, ชมันก็เกิดจากการที่เรานั่งสมาธิบ่อยๆมันก็จะสติมันก็จะตามไปทุกๆใช่ทุกๆอาการของจิตใช่ สติพระศาสดาเปรียบด้วยในทวารประตูเนี่ยมันจะรู้ว่านี่คนร้ายอย่าให้เข้าเมืองอ่าอันนี้คนดีเข้าเมืองได้ อ, อันนี้เป็นสิ่งไม่ดีอกุศลออกไปจากจิตซะอ่ารู้แล้วไม่ทำตามอย่างนี้อันนี้คืออา น, นิสงส์ของการนั่งสมาธิ <c oughs> ใช่ ท, ใชที่ตรง ท, <c oughs> ที่ถูกใช่ใช่เพราะเมื่อโยมละอกุศลได้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้า หรือไม่ผมบนศรีรษะได้ใช่ไหมเพราะอากุศลเนี่ยในจิตของใครยังละไม่ได้เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนไฟไหมลุกโลงเสื้อผ้าอยู่ปล่อยอกุศลอยู่ในใจนานก็ไม่นานนะหนังรอบหมดตัวแน่นะอืมฉะนั้นใครเห็นแสงก็ให้ก็เห็นไป <c oughs> แต่ว่าเราควรจะเห็นอันนี้มากกว่า <c oughs> เห็นจิตในใจิตตัวเองใช่นะว่าจิตเราเนี่ยมีอารมณ์อะไรกุศลอกุศลไม่ดีรีบวางรีบวาง นะทำให้เห็นช้าลงะใช่ใช่เชิญ <c oughs> <c oughs> ไม่ดังใช่ไหมเอาไมนอื่นกันนะอโาอกาสครับที่เมื่อกี้พระอาจารย์เทศเรื่องอันนี้ส่งการให้ทานนะครับก็มีอันนี้ส่งอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าจะ เจริญหรือพอใจในกา ร, รมาคุณห้าตอนนี้มันก็ดูขัดขัดกัด บ, บว่ า, าพระธรรมจักรสดาสอนว่าควรจะละหรือความพอใจอยู่ไม่ควรจะเจริญในกา ร, รมาคุณห้าก็ต้องมีปัญญาด้วยไงเรื่องของทานมันจะส่งผลตรงนั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอ <c oughs> ไม่งั้นมนุษย์ที่ที่รวยก็ไม่ดีอสิใช่ไหมหรือมนุษย์ที่ได้บริโภคกา ร, รมาคุณห้าทั้งหลายดีๆก็ไม่ดี มันก็ต้องมีเรื่องที่ส่งผลให้แต่ขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่า <c oughs> เนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงไงคนนั้นก็ต้องรู้จักอัศทะอาทินวะแล้วก็นิสรณะใช่ไหมอ่าคือต้องมีปัญญาเข้าไปจับนั้นคนคนนั้นจะต้องการออกจากโลกไหยถ้าต้องการออกจากโลกก็ปฏิบัติมรรคแปดนะอย่างเนี้ยอืม <c oughs> ต้องเสริมก็ไปุ เชิญข้างหลังครับข้างหลังอาจารย์อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าในโอกาสที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระอาจารย์นี้ก็หลายเดือนแล้วฮะครอบครัวก็เปลี่ยนไปนอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูกจะให้เงินพ่อกับแม่จํานวนหนึ่งให้ให้ให้เนื่องจากได้โบนัสมาอย่าง อแต่คุณแม่ก็ทักทวงว่าให้มากไปอืผมเองก็เคยได้คุยกับภรรยาว่าอ <c oughs> ลูกจะให้เงินเนี่ยไม่ควรทักทวงเพราะว่าเป็นขวางทางคุณของลูกอพราะปลาลบไปอย่างนั้นก่อนแล้ว <c oughs> มันเป็นขวังทางคุณลูกเพราะว่าวิธีอย่างเนี้ยลูกเคยให้มาหลายครั้งแล้วอื <c oughs> แต่คุณแม่ก็จะคัดค้านว่าไม่ควรจะให้มากขนาดนี้อืท <c oughs> ีครั้งเนี้ยคุณลูกก็ให้คุณแม่ก็คัดค้านอีกนะคุณแม่ก็บอกว่าให้มากเกินไป อือลูกลูกก็ปรารถบแม่มีเสียภาษีตั้งแสงนกว่าให้แม่แค่นี้ไม่เยอะหรอกนี่เดียวถามพระอาจารย์ว่าอย่างเนี้ยการที่แม่พูดอย่างนี้หรือการที่ผมปรารถบอย่างเนี้ยมันเป็นการที่ขัดกับพุทธะที่พระพุทธเจ้าตรัสไปนี่อ๋อออเรา <c oughs> เราควรควรจะบอกตามหลักของพระศาสดาอย่างนี้ว่าเออลูกได้แบ่งทรัพย์เป็นสี่ส่วนอย่างพระพุทธเจ้าบอกหรือยังนะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเลี้ยงดู อ่ตนเองมารดาบิดาบุตรภรยาฆ่าทา้าดกรรมกรเนียใช่ไหมแบ่งเป็นส่วนนี้หรือเปล่าทําตนให้ปลอดภัยจากอันตรายหรื อ, อยังนะอ่าแบ่งปันโกพกซับให้กับญาติมิตรนะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอะไรหรื อ, อยังให้แก่สมณพราหม์หรื อ, อยังนะเขาบอกว่าแบ่งสรรเรียบร้อยหมดแล้วนั่นก็คือเขามีเหตุผลในการให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าเราก็รับทานนั้นได้อย่างเนี้อ ท, นะที่ผมตักเตือนว่า ลูกกับปรอบครว่าใ ห, ให้ให้แล้วก็ไม่ควรจะพูดอะไรเนะี่ยอย่างนี้ไม่ไมกล้าพออไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธแต่บอกให้ลูกว่าลูกพิจารณาดีหรื อ, อยังเงินก้อนนี้มันเยอะอยู่นะอย่างนี้ก็ได้คือไม่ได้ปฏิเสธเลยทีเดียวแต่ให้ให้เขาหยุดพิจารณานิดนึงก่อนใช่ไหมนั้นก็เขาจะได้อ่ามีการพิจารณานิดหนึ่งถ้าเขาพิจารณาแล้วก็บอกออลูกพิจารณาแล้วว่าตรงเนี้ย ลูกไม่เดือดร้อนแล้วลูกก็ยินดีเต็มใจให้แล้วก็รับทานนั้นไวมืมเขาก็จะได้นิสง์ตรงนี้ที่ทำกับบิดามารดาด้วยนใ<ม>อ่ฮะ หลงเหรอ <c oughs> ความหลงนี่ก็ครอบคลุมทุกเรื่องเลยนะจริงๆผู้โกรธก็เป็นผู้หลงนั่นแหละนะความหลงนี่อยู่มันมันอยู่ในปฏิจจสมบัติทุกขั้นตอนเลยเหมือนมันเป็นพื้นฐานเดิมของมันนะอวิชชาคือความไม่รู้นะตัวความหลงเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าโทษมากแล้วก็คลายช้า นะโทษของความหลงมีมากแล้วก็คลายช้าด้วยนั้น <c oughs> ใช่ใช่ใช่จึงทำให้ตัวนี้เนี่ยแก้ได้ยากแล้วก็อยู่ติดเราไปตลอดเลยนะเพราะนั้นตัวที่เราไม่สามารถออกจากสังสารนี้ได้ก็เพราะเรื่องของความหลงทันะทนี้ความหลงก็จะมีมีหลายประเภทหลายระดับในระดับของ เรียกว่าอัตวาทุ ป, ปาทานเนะี <c> ่ย <oughs> หลงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนเนี่ยนะถ้าแก้ได้ก็คือสามารถหลุดพ้นได้พวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาจะบอกสอนในเรื่องการหลีกออกจากกามุ ป, ปาทานก็มีบ้างนะศีลปตุ ป, ปาทานก็มีบ้างนะทิฏฐุ ป, ปาทานก็มีบ้างแต่จะไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดเนี่ยบอกสอนในเรื่องอัตวาทุ ป, ปาทานนะความหลงในความเป็นตัวตนนะจะไม่มีจะมี พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สอนเรื่องนี้นะมันคนคนจะมองไม่ออกเรื่องตัวตนนะอ่าใช่ความหมายเดียวกับมีผัสสะบังหน้าคือเข้าใจผิดในผัษสะพรุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีผัสสะบังหน้าคือผัสสะปรเรโตนะ เขาเข้าใจผิดในภาษะเวลามีสัมผัสเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็คิดว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นจะมีความเป็นเราในทุกภาษาไงพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเธอหมดรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ใช่ของเธอนั้นองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวเราของเราและเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงตาเห็นรูปจะต้องประกอบด้วย3มองค์ประกอบคือมีรูปมีลูกตามีวิญญาณทางตา รูปก็ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ตัวเราของเราลูกตาก็ไม่ใช่ตัวเราของเราวิญญาณทางตาก็ไม่ใช่เพราะว่าเกิดดับตลอดเวลานั้นสิ่งใดเกิดได้ดับได้ <c oughs> สิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนถาวรเป็นตัวตนชั่วคราวสิ่งใดเป็นอนัตตาผู้เจ้าบอกสิ่งนั้นนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราต้องพยายามปฏิเสธนะเพราะในวันเนี้ยเรากับวิญญาณกับขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันเลย ก็เลยต้องต้องทําให้เกิดปัญญาว่ามันยังไม่ใช่เราเนี่ยจะปฏิเสธยังไงว่ามันไม่ใช่เราในขณะที่ตอนนี้มันเป็นเราอยู่ก็คือต้องเห็นความเป็นอนัตตาไม่เข้าใจอนาตาัตตก็ลดระดับว่าเห็นการดับไหมไม่เข้าใจการดับลดลงมาเห็นความเสื่อมไหมอย่างเนี้ย <c oughs> ต้องนั่งสมาธิไง <c oughs> ถ้าม่นั่งสมาธิก็แบบรบกวนจ ะ, ะจะไม่เคยเห็นต้องฝึกสติ ฝึกสมาธิสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสตินะมันก็เกื้อกูลกันนะมีสติก็จะมีสมาธิมีสมาธิก็จะมีสติขึ้นมาน ะ, ะผู้เจ้าบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงทำสมาธิเถิดนะเมื่อทำสมาธิแล้วนะเธอจะเห็นอริยสัจนะก็จะเห็นการเกิดการดับนั่นเองโยมต้องการให้จิตตั้งมั่นแต่จิตมันจะไม่ไม่ตั้งมั่นเพราะธรรมชาติของมันมันจะเกิดดับ โยมจะเห็นความจริ ง, งทันทีเลยใช่ไหมว่าเอ๊ะเราต้องการให้จิตตั้งมัน่นเอ๊ะมันไม่ตั้งมั่นนี่แล้วเราบอกว่าจิตเป็นเรานะแต่จริงๆแล้วจิตไม่ใช่เราใช่ไหมเราก็จะเข้าใจเริ่มมีปัญญาเข้าใจว่าเออที่เคยคิดว่าจิตเป็นเรามันก็ไม่ใช่นะเพราะขนาดเราสั่งจิตเราว่าเป็นของเราให้อยู่ตรงนี้มันยังไม่อยู่เลยนะมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปและขนาดจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้ ให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์นี้นะแล้วเวลาจิตกลับมาที่เดิมไม่ใช่วันวิ่งกลับมานะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเป็นนิจจังไม่มีการดับแต่พูะุทธเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วจิตที่มีการมากันไปเนี่ยขณะนั้นจะมีการตายคือจิตดวงนี้จะดับและจิตดวงใหม่จะเกิดจะมีตายและมีมีเกิดถ้าพูะพุทธเจ้าไม่บอกตรงนี้เราจะไม่รู้นะ <c oughs> เพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมาก เราจะคิดเหมือนว่าจิตเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งกลับมาอารมณ์นี้แต่จริงๆไม่ใช่ตรงนี้จึงเป็นความเข้าใจผิดของพิสูจน์ชื่อสาติเกวัตบุตรที่คิดว่าวิญญาณเนี่ยท่องเที่ยวไปวิญญาณวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปอารมณ์นี้ท่องเที่ยวไปแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่วิญญาณเกิดดับแต่ผู้ที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏในอารมณ์ต่างๆเนี่ยคือผู้หลงนะพระเจ้าจะเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันนะและมีความอยากให้ผูกติดอยู่ในภพอยู่ในขันทังห้ายึดติดเอาวิญญาณเป็นตัวมันซึ่งวิญญาณเนี่ยคือจิตที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา <c oughs> นะนั้นผู้หลงเนี่ยก็จะหลงทั้งวิญญาณหลงทั้งอารมณ์ที่วิญญาณไปเกาะนั้นถ้าผู้หลงเปรียบเหมือนอากาศเนี่ยความว่างมันหลงว่ามือคือวิญญาณเป็นตัวมันเนี่ยพอมือไปจับไม้ มันก็คิดว่าไม้เป็นของมันอีกเพราะนี่คือตัวมันนะอัะนนพอเวลามือปล่อยจากนี่วิญญาณดับพอดับปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันก็คิดว่าวิญญาณเป็นตัวมันมันต้องหาวิญญาณดวงใหม่ไนงะแล้ววิญญาณดวงใหม่ก็เกิดอยู่ตลอดเวลานะครูเจ้า บ, บอกวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลยนะตลอดวันตลอดคืนมากมายโลวกระ t h เลยนั้นวิญญาณดวงใหม่ก็เกิดก่ออารมณ์ใหม่มันก็ยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปอีก อย่างรวดเร็วเลยเพราะความหลงความไม่รู้ความเร็วในการเกิดดับของวิญญาณพระศาสดาบอกว่ายากที่จะหาอุปมาเปรียบเทียบได้ปกติพระองค์จะอุปมาเปรียบเหมือนเหมือนฟองน้ำเม็ดฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ำแล้วเกิดฟองเลยยิบเต็มเป็ น, ปนแสนเป็นล้านฟองในนับไม่ได้เลยอย่างฝนตกลงในทะเลใครจะไปนั่งนับฟองนะโอ้โหเกิดดับเต็ไมไปหมดเลย เยอะมากแล้วก็เกิดดับรวดเร็วอันนี้เป็นอุปมาเรื่องของวิญญาณทำให้ผู้หลงเนี่ยไม่สามารถถอนความหลงได้ก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดถูกต้องใช่อืมอ นะฮะใช่ใช่เพราะว่ามันมันไม่ใช่ของเราเราทิ้งเนี่ยคือต้องทิ้งทั้งอกุศลและกุศลเลย <c oughs> ทิ้งหมดทิ้งหม ด, หมดนะเพื่อเพราะเราต้องการความไม่ตายไงนะเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเป็นของเกิดของตายหมดนะงั้นถ้าเราเข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราได้เนี่ยเวลาจิตมันไปเกาะกุศลอกุศลก็ตามเราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนไม่กังวลใจเหมือนวเวลามีผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความคิดขึ้นมาในสมอง สมมติว่าเราได้ยินเสียงที่เราไม่พอใจอโดนด่าโดนว่าโดนตำหนิอะไรใช่ไหมความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นมาอคุศลในใจมันก็เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้มันมันไม่ใช่เราเลยของปลอมหมดเลยปลอมตั้งแต่ความไม่พอใจปลอมตั้งแต่ความคิดที่เกิดขึ้นปลอมตั้งแต่วิญญาณที่เข้าไปเกาะความคิดเข้าไปอยู่ยในก<ส>ะแสขึ้นมาใช่สายปฏิจจานั่นเองอ <c oughs> ไม่เป็นไรนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ได้งานดีๆใหม่ <laughs> อโอกาสครับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่า <c oughs> จิต <c oughs> เกิดและกระดับเร็วมากอื <c oughs> งั้นในช่วงที่ <c oughs> เรามีสมาธิโ <c oughs> ดยเฉพาะสมาสมาธิเนี่ย <c oughs> เราจะสามารถเห็นจิตเกิดดับได้ออันนี้หมายถึงสติต้องเกิดเร็วมากนะฮะ ไม่ทราบว่าในขณะนั้นจิตเองก็เกิดชาลงด้วยหรือเปล่าครับเ อ, อไม่ใช่คือคือจิตเวลาจะตั้งมั่นเนี่ยมันก็ตั้งมั่นมันตั้งมั่นได้อยู่นานก็ได้แต่เวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยน ป, ปุ๊บเลยนะแป๊บเดียวนะเวลาเวลามันดับเนี่ยนะมันดับแล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้ตัวไงะนะแล้ววิญญาณดวงใหม่ก็เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา <c oughs> ยังต้องนึกเหมือนกับว่าความว่างเนี่ยมัน มันอยู่ล้อมรอบเราตลอดเวลาตัวเราเนี่ยอย่างความว่างอย่างอากาศสมมติว่าอากาศเป็นความว่างอากาศจะกระทบเราทุกอนูอะไรอย่างเงี้ยนะนั้น <c oughs> เวลาวิญญาณวิญญาณดวงหนึ่งดับปั๊บเนี่ยแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดซึ่งมีอยู่เต็มโลกธาตุตัวความว่างเนี่ยคือความสภาวะหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นเหมือนชีวิตเนี่ยนะมันสามารถยึดวิญญาณดวงใหม่ได้ทันทีทั่วโลกธาตุ อันนี้ค่าๆกับว่าในช่วงที่เรามีสมมติว่าเราได้ฌานนะฌานเป็นสองสามสี่โดยเฉพาะสี่เนี่ยนั่นก็คือจิตเองตั้งอยู่ได้นานโดยไม่ดับอ่าใช่ๆขอบพระคุณครับอ่าเดี๋ยวไปเตรียมตัวฉันยหม